<Cornell>. พระธรรมเทศนาแผ่นที่48ดลำดับที่29โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่26มิถุนายน2556้าหมีชื่อเรื่องว่าแม่ย่ากับลูกสะพ้ย ฟังเพลงแล้วก็แล้วฟังล่ำอะไรก็แล้ ว, ลวบัตรเฟังเท็จลงปูอินมนุบัติเนี่ยฟั ง, งฟังเท็จลงปูอินมีแนวเลยมีแนวความคิดเลหลายอย่างเป็นแนวความคิดอยู่ในเอ็มพีสามบันทึกความทรงจําของข้าพเจ้าเนี่ยมีในท่านลูกสถอะไพกับเมยียเมียยาปัดใจกว้างลุกเถอะไพไปกี่ทีเอาไปเอาป้าก็เลย เหตุอยางไรอยู่รับการบดได้แล้วคนกี่ทีคนใจใหญ่ยังนบมล่ะตำเขามากบดได้กับวานให้ไกลให้ไอ่คนมากขอกับขอให้ก็ะหายแบงให้คนทุกคนยากหนึ่งเขาซุกแลยกัแบงให้หมูหมากาไก่กินน้ำง่ายพกผู้เฒ่าก็เหตุมากจังเลยตั้งแต่ใดแต่ไรตั้งแต่ยังบดท่านมีลูกสะใภ้ผู้เฒ่าก็เหตุจังจันทร์บาถ้ามีลูกสะใภ้มาถี่จะมาด จำกัดสิทธิมนุษย์ชนมันก็ บ, บรรยาแล้วมันบ่ละคนใจไง่กับคนขี่ทนะีเนียมันบ่เขากันบรรยาเลยนี่บาลทานี่กงเขากันกับบรรยบาลเนะี่ยแม่ยากับลูกสะใภ้แต่แม่ยากับคนกับบไว้เนี่นว่าเพ่นเป็นผู้ใหญ่แต่ลูกสะใภ้นะี่ยตีเครียดเขาเครียดเขาเอาไปมากกับวัดปนท้นบรรยากับอกกับผัวเจ้าของเท่าไหรนี่ เนีบอกกาแฟหน้อยต่ไปเออยอดทีรักพนัวเด้เออจะเอาพี่ได้จะเอาแม่พนัวเด้เออจะเอาพี่ได้จะเอาแม่พนัวได้ยอดทีรักพนวเนี่ยไอ้ทั้งยอดทีรักมันก็งงตึกเล็วลงไปอขั้นเสียวแม่ก็แม่กับเถ่าไปแห้งนะเออมันก็บอกว่าว่ายเอากระบอกเอาไผ่แล้วเอายอดทีรักเนี่ยพนัวเด้ ผู้ผู้แฟนเปิดมานเาไปเอาไปมาที่เฮ็ดอย่างไหนศาสนาสันเดย์ทังผู้ผัวถามที่เฮ็ดอย่างไหนยาไอ้อยอ ย, อยู่เนี่ยจะไปยากยัง้งวมดสันเดยว่างแผนแบบข้าวเดียวทนนั้นแล้วะนะที่เฮ็ดอย่างไหนเนีนนน่เสือมาอยู่นอกรอบบ้านเนี่ยเสือโคงมันหา ก, กินงวัวกินควายมันเสือหลายได้สมัยก่อนเขากัททาทาส้วนแม่ยาไป หาเก็บพักหาเก็บเนาะใหม่ใชกัไปหอดตีนผู้กับมัดอแม่ยามัดแม่ยาใช้ต้นไหม่ใช่กันแล้วตัวจะเนว่ามัดให้เสือกินจะกันแล้วตัวจะเนี่ยทั้งผู้ชายทั้งแฟนพังโอแม่นแมนว่าจะเนี่ยบาร์ฮันเองกันมือดีขึ้นดีมากกับแม่แม่ไปหาเก็บพักเนาะว่าเนี่ยไปหาเก็บพักหวานไปหาเก็บเนาะไหม่ไปหาเก็บ เฮ็ดเนาะสินทั้งผู้เทาก็เคยปลาอยู่แล้วนะคอยไปก็ไปทั่วผู้เทาวะดีแล้วสินดีอกดีใจอีกต่างหากกว่าลูกสะไบกับลูกไส้ส่วนจะของไปที่แท้เขาจะไปมัดให้เสือกินวนลงไปว่าอะไรก็ส่วนไปไปเนี่เขาก็ไปมัดแล้วบาทเนี้มัดส่วนเข้าไปในปลา เ, เล็กๆแต่ลูกสะไบกับจับกับลูกไส้กมสมส็มัดใส่ต้นหม่ใส่มัดใช้ต้นเสาหรือมัดไฝ่หลังมัดใส่ท้างหลัง หลังแอนแท้ลเล่อะไรไปเอาไปมากกับมัดตาไว้อีกพอมัดตาไว้บ้านนี่สองผัวเมียมกับเฝ้ากับบ้านโดยไปพุทธเอาก็ยืนอยู่หันแล้วเอาไปพ่อยืนอยู่หันโตคํามาบ้านในเสือมาใจแล้วบ่ะเนี่เมาเมาวากูมันเสือมันออกหากินเนี่ยจะมึงแกล้งเลยมันเทาก็ยืนอยู่หันแล้วเอาไป เอาไปมาเสือมันก็ถือกินข้นเนี่ยหดเลยดมฝูดฟาดฟูดฝาดมันถึอกินข้นอยู่ในทินนั่นลงไปมันกระปีเขามาแล้วลงไปปีเขามาลุกลุกขะเทียวดาพุ่มมาเทียวดารักษาปลานี่ยรักษาปลาโดงพงไผ่เพิ่นเห็นเหตุการณ์นั่นลงไปมาลูกสะไพกับลูกไส้มัดย่ายเทาเนี่ยไส่ต้นไม้ไว้เนีเสือกินนี่ยเทียวดาก็โดดมาหามเสือเนียยศเสือเกิดเนี่ย อย่าเขามากินนะเมึ่เขาว่ากินค้นมีศีลมีถ้ำเลยเมึ่อตายจากซาตนี่เราเมื่ตกนรกออกจากนรกเราได้เกิดมาเป็นได้ดีได้ดีเลยนะเพราะกินคนดีมึ่อต้องฟั่งกูกรน้อนนะยสั่งยศสั่นเล้เดี๋ยวกูจะทดสอบสั ก, ก่อนเนี่ยเมื่อจะคอยกินที่หลังกันมึ่อกินคนดีบ่ได้นะแต่กินคนซัวบพราะไปยังหรอกกูให้กินสั่นเลยเ ท, ว ด, ว, ทวดาว่าเทวดาพวกเขาขังข้นชัวเขากันเด้ อต้องเขาขางคนดีอ่หน่อยวันเียเที่ยวดาเหมื น, นกนัไปหาขนปีกไก่ป้านี่ไปหาขนปีกไก่ป้านี่ที่มันลน่นอยู่น่อยคนใหญ่มากพอเกิดอมากขึแง่เขาดังแง่ เ, งงเงงงถ่าอยูน่อยเพรยึดติดแง่เขาดังแง่เถ่าแง่เถ่าจ่ามันต้อคนแง่แง่คนไกลเขาดังมันก็ต้องจ่ามันด้วยหัดช่ยพุทธโธธรรมโมสั <awa> งโฆเท้าวะแง่เขาอีกหัดช่ยพุทธโธธรรมโมสังโฆ แย่ถึงสามเถ้่งไปโอ้เ่านี่เป็นคนหายใจเขา่าหายใจออกแลลึกถึงคุณง่ามความดีแล้วลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ตัวนี้เป็นชรณะโอ้บอ่อใดเสือเมื่อจะกินนะ่าเสือเมื่อจะกิดเ่าเนี่บอ่อใดเล้วมึ่อตายไปตกนรกออกจากนรกมด้มาเกิดเป็นขู่เป็นค้อนเลยไปเมึ่อยาจะกิ น, สนเสือตลังได้ไปหากินทั้งอื่นมา่ไปพูดเ่ากันนัอนอยืนยันเละ พ่อมากไปเที่ยวดาแล้วมาแก้เสื้อไทยพ่อแก้เสื้อไทยไปเถ่าก็ล้มเพราะาะพระแหล่ล่องหันวัดไปพรล้มลงไประบาดไปเถ่าก็นอนรับแล้วมันเมื์เลยเนี่ยนอนรับเลยตื่นมือเศ้ามากว่าดิเห็นหายท่องย้อนายตีนผู้เท่าเรไปเห็นหายท่องเถ่าตื่นมาไม่ไหวเหลียวคุณเหลียวพี่พอเห็นไปโอ้เที่ยวดาจะเอาออหายท่องมาเห็นเนยเล่ามาั้งห้ข้ามั้งเนี่เถ่าก็เลยเอาผ้ากามาเปย หายท่องใส่ใส่ล้างเลยก็กูบอไปเดี๋ยวไปหาลูกไส้กับลูกสนะใภ้กันไปอีกมันสิขากูอีกก็เสีเยแน่มันข า, ข า, ขากูขักขักก็เสียในเท่าอ่ะกูจะไปหายาดผู้ไก่ไกพุ่นล้วเสียแน่ก็มันอยู่น่ายุ่งก็จะไปพุ่นแล้วเราไปไปว่างซ้ำหมอสีถาดพอนอนเราไปไปเห็นมันไก่ไกแล้วเดี๋ยไปแต่จะมัดกินมัดอายคานนะ่ะบาน้าไปแล้ววานเลยเท่าก็ไป บางขาท่องผู้ถ่อผู้ถ่าบอเอามาขายทห่น้ำผ่นเามาขายที่ไรสิน้นซองสินก็ไปคนกขาว่าไปขายให้ล้านท่องล้านท่องก็สื่อเป็นท่องอิริอวันไปเท่าก็รุ้ยขึ้นมากวะเนี่เท่ารุ้ยขึ้นมากกับแม่างบ้านสร้างเงื่อนสางท่านะกับลูกหลานกลุ่มนั่นบ่คิดถึงลูกเจ้าของเร่ยโองไปบ้านั่นเองก็เลยเท่าก็เลยเสียงระบือระเบือทัวไปทุกแห่งผล บอกว่าย่าเนี่ยเนี่ยมาจากแถวโน้นนะมาจากอำเภอหน้าย้งนะมาตั้งลักตั้งฐานเนี่ยเนยมันขายท้องโ้ลุ้ยสางบ้านสางเงินสื่อให้สือหน้ารุยได้เท่าเนี่ยันทางลูกสะพายกับลูกใช้เอมาแมนแม่เข้าผลเ้ยพนวเดไปสองๆมึงหน้าเนเีทางนี้ก็เลยดมดมมองมองไปบกาไปตรงตระหว่างดมดมมองมองไปเออแมนอิริว่าจเนี่ยแม่ของเข้าอิริว่าจะเนี แต่เมื่อสืบประวัติมันเป็นอย่างยังรุยนะ่ยอ่ะเขาก็าบอกให้ฟังว่าเ อ, อเ่าเนี่ยบอกว่าลูกมัดเถาไว้ในปา่าพวกเถาก็เลยได้ให้เงินให้ท่องมากก็เลยกว่าเนี่ยมาตั้งฐานะอยูพี่วะทั้งลูกจะไพาบางขี่โลภอยู่แล้วเนีเป็นบ่อละคือขี่ขโลภอยู่แล้วนะไปโอ้ยอดทีหลักปนมาตนใม่เท่าไหร่ขึ้ที่เป็นตนใหม่ลุย่ยปนมาตนใหม่เทวดาเอาขอยไปมัดใส่แหนเลยโดยข่อยเดี๋ดยวเขาสิรุย่ยต้องกันพลภัวได้ เดี๋ยวห่อสีลวยน้ากันใช่ไหมทังผู้ัวก็อยจากลวยอยู่แล้วเอาไปหมุบมับเออแมนอิลีเข้าคนวันไ้เอาไปมากก็เลยไปมัดชวนกันไปไปไปก็ไปหอดต้นไม้ต้นเก้าแล้วไปไปห่อเลยก็มัดแค่คือตัวเองมัดเซเมียร์น่อยคนไปมัดไผ่หลังแค่เลยก็เอาผ้ามัดตาไปบ้านที่ผู้ัวกรอยกับบ้านแล้วนะเพราะกับบ้านพราะโต๊ะไก่ทำมากเสือมันก็ห้องเยาว์นะว่ามันออกหากินได้เสือยันตะดง เมาห่มมาบ่มเยยางไปยางมาไม่ถือกินค้นมันกัปีเขามหลูกค้าเทียวด่าก็หาไว้คือเก่านะว่ายานะเสื่อเดี๋ยวกูทดสอบมึงอีกก่อนคันว่าคนมีศีลมีท้ำมึงกินอะไรนะ้ะข้นผมมีศีนมีท้ ม, ม, มเออมีแต่จีโลภขี่โกรธขี่ขลงกูเห็นมึงกินโหลดสินะข้นชั่วสินะป่านนี้ก็เทียวดาก็หาขนปีใกล้ป่านะว่า ม, ากกมา่านก็ม่แย่พอหังพอเขาน้องๆกลับไปถึงบ้านน้องแยมันชจามบอลลงไปเทวดาเขาแย่แต่ไม่จามเลยแย่ๆเขาจมูกคนลงไปพอแย่เขาจะบ่นมันก็ฮัดช่ยคือเก่าหน่าไให้เงินให้ท่องโยสหรายฝุ่นวัวเลยมันบ่มันบ่มว่าพุดโทษสมุทรสังคูคือเมีาได้คนลงไปบานนี้เพราะมันคือว่ามีแต่ให้เงินให้ท่องให้เงินให้ท่องให้เงินให้ท่องอยู่ตลอดคนไปอหัดช่วยสันให้เงินให้ท่องโยสหรือฝุ่นวัวเลย เอาไปว่าฮัตเช่อสองสามถือนเอาไปเที่ยวดาโออีนี่วันบ่ได้เราก็จะเนีอยมันมีแต่กีโลบว่าจะเนี่ยมันมีแต่อยากได้แตพ่อมันจะขาแม่ยามันแม้ว่าจะเนี่ยเที่ยวดาว่ะแต่พ่อมันยังเอามาแม่ยามันมาหมัดใส่ต้นใหม่แล้วแม้ว่าจะเนี่ยเอ้าเที่ยวดาก็เลยย่างออกไปเอาเชื้อเมื่ออยากกินเลยว่าจะเนี่ยกินคนชัวโบไปย่างดอกโบบับว่าจะเนี่ยเสื้อมากระโดดเขามากกักัดข้อเลยแล้วเลยที่มันเคยกลิ่น กินเมื่อขนน้นเลยทั้งไปพอกินแล้วบาทเนี้ทั้งผู้ผัวคนอยู่บา้านเอ๊เป็นอย่างเมี่ยงห่ อ, อยังบ้องเอาหายเงินใหท้ททองมาเนาะจะได้ผลว่ามือนหนึ่งก็แล้วมื่นสองก็แล้วพอหอดมื่นสามปั๊คขึ้นอดเมี่ยงหนึ่งไปเบิง้งว้าพอไปเบิง้งเห็นแต่กะโหลกกับกระดูกสี่ข้างเลยกองอาญอยู่แถว น, น, นันทั้งไปเสือกินเนื้อ้งไปเสือกินเมี่ยเจ้าของ อหายท่องกบบระโบไหลเมียกระเสียอีกตั้งหากันออกไปอีด่างนี่ยก็เลยตายซ้ำหมดไปนั่นแหละนีทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าถ้าว่าคนดีแล้วตกน้ำก็บโไหลตกไฟก็บโบใหม่ไปอยู่สไสไผก็หักไปหาเทาวดาเทาวดาก็หักการหาว่าคนชัวร์เลยไปสไสไผ่โบหักหรอกมีตะเกียบมีตะชั่งพ่อไปหอดเลยเนี่ยเบื้องโู้นเนี่ยมั่นสิมากเอ็งเอารัดเอาเปียพอได้เนี่ย เนีมันถืว่าป่นมักพดมากโกงเขาได้เนี่ยนี่แหละคนชัวไปใส่ไผก็บอหักคนเราไปที่บวดาก็บซ อ, อยเพราะนั้นพ้นว่าไห้ส่างคุณงามความดีไ้ได้ย จ, จะไปเห็นจะเป็นคนชัวคนวะนี่แหละนี่ท่านเรื่องนี้สอนให้ว่าสอนให้คนเป็นคนดีคนเราไปนี่ท่านในถรมบทก็มีด้นยอย่างหลวงพ่อเคยเวาอพอแม่พอแม่ตายยังแต่พอพอแงเงินมาล้าน เงินสิบล้านมาไปลูกไส้เป็นมีเก่าข้นแบ่งให้แบ่งให้คนละล้านละลานกันเก้าล้านไว้พอเอาไว้พอเอาไว้ล้านนึ่งไว้ไปกูเอาไว้ล้านนึ่งเนอะไอ้เก้าล้านให้สู้ทำมาค้าขายเท่าพอลูกไส้อยากแบ่งพอตางคนก็บตังมีครอบขัวบ้านนี้ก็เลยแบ่งให้ผู้ละล้านละล้านได้เก้าล้านผู้พ่อเก็บไว้ล้านหนึ่งต่อมาลูกสะพายอยากได้เงินอีก พอปู่เก็บใหยีงออกมาแบ่งกันอีกซะเพื่อจะได้ทํา ม, มาค้าขายเงินมันยังขาดขาดอยู่สินลูกสะใภ้มันเห็นเงินก่อนยังพอปู่ยังอยู่ได้ลานหน่อยไปขอเอกก่อนไปลูกไส้ไปขออี ก, ก, ว ก, ออกพวกขอหลูกพอก็เลยเอาให้พูละแสนพูละแสนไปยงังยังอีกยังแสนแลงบาทนี่เอาไปมาลูกสะใภ้มนะันก็ยุให้ผัวขออีกเอาขออีกพูได้เหมือนบาทนี่ พอละเมือนกันได้อีกคนเองชาวอะไยังอยู่เมือนนงเดินเมืองอไปเออแต่สะขอพละพันอีกยังบทูนนบงบท่านหัวอันนี้วันหนึ่ไปเออบาท่านนี่ขอพลละลอยยังบูท่านหัวหนึ่งไปยังเหลือเงินอยู่หน่อยเดียวกันเนี่ยผู้เทาก็อยู่เลียงชีพนึงหนึ่เอาไปมาไปอยู่กับลูกไผ่ผู้ใหญ่ลูกไผ่ผู้ใหญ่ก็บบ่อเด้บานนี่พ่อปูน่ะ บาดาแบงมรดกะดห้ท่อการมดบ้านละแล้วบุคุจักบ้านผู้อื่นมาอยู่แต่บ้านเฮ้าทางผู้ถอดอย่างนี้เลยก็คว้างหูเราลงไปกูแสดงว่าเขาบุคุจให้กูโยนี่วันนี้ไปหนีแล้วกูไปอยู่บ้านบักสองอีกคนหนึไปบักตีร่องเรามาไอเมียบักสองก็อยู่ดนดูดูไปแล้ปะปัดเบาเฮียกคนหนึ่งไปโอ้บ่ได้ไปบักบ้านบักสามคนหนึไป ไลลงมาจนหอดปักเก่าหนบ ป, ปักสุดไทยเมีย่ยมันก็นยังเบาคือเก่าเออกูบอกอยู่น้องหัวสูงเราแต่เนี่ยกูจะหากินด้วยด้วยตนเองกูหาขอกินหาขอทานกินดีกว่าแต่เนี่าวะ่ะบ่าและดาวเทาก็เลยได้ไดหม้อโล่ห้างน้วยหนึ่งสิ่งกับไม่เท่าเลยหาขอกินอยู่แล้วบาดไปหาบ้านนั่นไปหาบ้านนี้ขอกินวันไปดำรงเจี๊บ ไปกัขมุกขมห่อมเต็มท้นวันนั้นไป เ, เสือกระพารพากระบาดไอ้อาบน้ําอาบทานมาต้องเบาแหละบ่าในมือนึ่งยางไปพานบัดป่าเฉดตะวันมหาวิหารโอ้ส ม, มณะโคหุมพุทธเจ้านี่ยคือสิมีของหายอยู่หรืมั้งเพิ่มเพิ่มมีเมตตาเพิ่มคงสิมีของหาของเศษของเหลือคงจะมีอยู่มั้งเขาไปกราบพระพุทธเจ้า เขาเไปกราบพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าเห็นแล้วเออาพามผู้นี่เนี่ยที่ได้สําเร็จพระสูดาบัติในต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะสอนเขาก่อนบ่ายเ่ยเพื่นก็เลยเกิดพามากเพี่ยามากก็มาฟังเทศพระพุทธเจ้ า, าพามไปจไังใดม า, จากจังใดพามก็เลยบอกให้ฟังว่าไปาเนี่ยพามบอกให้ฟังโอ้ยขาพระองค์กรกับเป็นคนมีอันตรกินอยู่รั่วอยู่ต่อมา ก, ก็เลยเป็นสันส่นๆเล่าให้เพื่อนฟังคนบอก เออภาพอะไรท่นเดี๋ยวห่อสิให้ฆ่าถากาวศูนย์ทรพดเลี่ยนได้บอ่อยให้ไปกาว น, นเวลาไปฮอตเอินลูกใช่มากเอิญลูกสะพายมากหลานมากพี่นองมากอยู่สลากลางบานแล้วให้ภาพยืนยืนอยู่สลากลางบานแต่ก็มีไม่เท่าเออมีไม่เท่าพ่อ ม, มีหมอโรคพ่อผ้ายหลังนั ให้ก้าวคาถาแบบนี้แบบนี้นะเวลาก้าว้า่ไม่เท่าแบบบอยยีละผู้ใดแล้ววะ่าไปเก้าวแบบแบบเด็ดเดียวเฮ็ดถึงสี่ได้บ่พราำ ม, มาว่าได้ครับเอเอไปพระพุทธเจ้าสอนค่าถาให้แล้วนงไปคาถาศุนทรพศวันไปบาไ้ไปหอดอพ่อออกจากพระพุทธเจ้าไปแล้วไปหอดบ้าน เอ้ลูกเต้าเล้าล้านเอ้ปอูตาบได้มาหาชู้เจ้านาน่นผู้ใดอยากมาฟังมาพบกก็มาเนอะเดลศิว้ะยังให้ฟังพวกนั้นก็นลุ้มมาเห็นเ่าไปหลายปีหลายเดือนเลยผู้เห็นเ่าผู้เ่าก็มามาหอดเอ้าผู้ใดอยากฟังบอสเดลศิวะก้ า, กาวศุนย์ท่อนลพไทยฟังเขาก็ฟังเลยเขาว่าลูกหล้านอะไรก็อยากฟัง อยากฟังเท่ากาวข้าถาวข่าวตะ ก, กาวศูนย์ทลบุบานแล้วเท่าก็ตื่นให้กังจา่าไม่คบไมคบไม่ไม่เท่าเขาคำไปทางหนาวไปครู เ, เท่าก็บอกว่าฟังนะแต่เนี่ยแล้วเราจะก่าวศูนย์ทรัลปุให้ฟังเลี้ยงบุตรสุดที่จะลำบากแต่ไม่แทนมือพ่อได้เหมือนใจหมาย คุณไม้เท้าพ่อนี้มีมากมายได้ค้ากายย่างย่องจ้องจดจุนจะเดินทางไปข้างไหนไกลสถานเมื่อพบพ่านสัตว์ร้ายจะวายวุ่นเอาไม้เท้าปัดวัดเวียงไปตามบุญคงมีคุณกว่าลูกที่ปะละเลยแอนสุนสุนทอดลพด ท, ที่พระพุทธเจ้าสอนให้พามันไปฟังฟังกันด้ พระพุทธเจ้าสอนเหุ้ภาพเป่าแบบนี้เด้ออะไภาพไปห่อแต่นี่แหละเวลาว่าเป็น้ายไม่ท่องพ่อมันอะไอเลี้ยงบุตรสุดที่จะลำบากไม่แทนมือพ่อได้เหมือนใจใหม่คุณไม้เท้าพ่อนี้มีมากมายได้ํำกายย่างย่องจ้องจดจุนจะเดินทางไปข้างไหนไกลสถานเมื่อพบพานสัตว์ร้ายจะวัยหุ้น เอาไม้เท้าปัดปัดเวียงไปตามบุญคงมีคุณกว่าลูกที่ปะละเลยไอ๋พอพ่อวอตแดนลูกใส่ทุง่งนั่นก็รอกหมล่องไห้ว่นกว่าเออแมนอีลอีพอเลี่ยงเข้ามาด้วยความยากลำบากบัลลังระบดียีละบดีดูแลพ่อแม่เลยทำให้เพิ่นตุกระต่ำลำบากเงื่อนเพิ่นกระห้ยภูละแสนภูล้านภูลแสน ปุร ล, ล้านแล้วเข้ายัางปล่อยปลาละเลยเ่ยพนถิ่งอยู่เนี่ยบอ่อเป็นถมอย่างยิงเอาพอตั้งแต่นี้ต่อไปผมเองพี่น้องเก้าคนบ่เลี่ยงผมสิเลี่ยงคนว่าอะไรต่อมาเอาผมคือสิเลี่ยงเอาไปมากก็เลยมาล้มมาตุ่มมันจะไปพบอ่อให้พุทธเอาไปใส่ปานดูแลยอย่างเด้กอนเอาไปเพราะได้ฟังที่พระพุทธเจ้าเด้ลูกตั้งเก้าคนสูไม่เท่าบอ่อใดกันเอาไป ไม่เท่าผู้เ่ายังจิลมะยังจิกขำผู้เ่าไว้ได้หมาเสือมากัดอย่าเอาไม่เท่าไล่หมากระไรงัวควายเสือมากส้นเอาไม่เท่าไล่ก็ะไรบาดฮาลูกตังเก่าข้นเนี่ยเลี้ยงคืนมาเนี่ย้าผู้สีดูแลผู้เ่าบ่ไใดมันไปนี่มันแมนความผู้เ่าเด้มันเป็นักาวที่พระพุทธเจ้าเปิ้ลสอนไว้ได้ป่านนี้ป่ากจากนั้นเขาก็เลยดูแลเปินอย่างดีอย่างดีเอ๋ทีเข้า ได้รับความสะดวกสบายขึ้นมากเข้านี่ก็เพราะทําคําสอนของพระพุทธเจ้าเพันไหกาวค้าถาและกาวศูนทอดละพดให้แก่พวกลูกหลานได้ฟังเ อ, อเมื่อเข้าได้ดิบได้ดีแล้วก็เข้าก็ไปกับขวรจะให้พวกนี้ได้ฟังถ้ำคํ า, าสอนของพระพุทธเจ้าก็เลยบอกลูก อ, อพอเ อ, อได้ไปกล่าวพระพุทธเจ้านะเนาะพันเทศดีพันสอนดีได้ลูกเลย ให้พวกเข้าไปหาเพลินเนะี่ยม่อนเพลินม้ฉันในบ้านเข้าก็ดีขึ้นกันนะลูกตังเก้าคนได้ทำบุญทำท่านกับเพลินดีวะทางลูกโอ้ดีพอว่าจะนึกเอาจังสนันลนะ่ะของเราเขาก็เลยไปในม่อนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เลยม้ฉันพร้อมกั็พราส่งพอส่งพระพุทธเจ้าก็าเลยเทศให้ฟังเทศให้ฟั ง, งพร่มก็ได้สำเร็จประสูดาบันเลยพร่มผููเทาจากนั้นลูกชก า, กายก็ได้สำเร็จประสูดาบันลูกสะใภ้ก็ได้สำเร็จประสูดาบัน ตะกูน่ะเน้อเป็นตะกูลสัมมาทิฏฐิขึ้นมาเลยวันไปนี่แหละพระพุทธเจา้าพนวางอึอกิเลสของคนเฮ้าเนี่ยกิเลสความโลภกิเเกลียกิเลสความโกรธความหลงเนี่ยมันปิดบังจิตใจของห้องนี่มืดม่อนอนตการโมกุจักดีโมกุจักชั่วมิตรโลภมิตรอยากอยากอยากเสี่ยงควรบุควรบุหูุจักเฮ้ยนาะนั่นเมือได้ฟังพระพุทธเจ้าเทศเนี่ยฟั่งเฮยบุญยังสันนะขุดยัีนะโทษยังสันนะ ขวนคิดจังสันนะควรพูดจังสันนะขวรทําจังสีนะลูกหลานนะจึงจ ะ, จะเจริญจึงจะล่มเย็นเป็นชุกนะท้าว่าเข้าคิดดีพูดดีต้องไปไพ่ภาคหนาลูกหลานเกิดใหม่ในที่หลังเขาประเจติเดินตามหลังของเข้าไปเรื่อยๆพัวเข้าเป็นตัวอย่างของเขาอยากจะให้ลูกหลานเข้าดีเข้าต้องดีต้องทําดีให้ลูกหลานเข้าดูนะท้าวว่าอยากจะให้บริวารเข้าดีเข้ากับตองทําดีให้บริวารเข้าเบิง้ง ยังสั่นแหละอันนี้คือคำค้ำสอนนะพวกเข้าฟังไปเนาะนั่มไปกันพวกเข้าฟังเป็นนิท่านมันจำได้ดีได้ลงพอวะกันบอกเป็นคำค้ำค้ำไปแมันจำบุคอยได้การฟังเป็นนิท่านจริงๆพวกเข้าจำได้นะเออวันนี้เป็นวัน ว, วิสาขาบูชาวันนี้ตรงกับวันที่สิบเจ็ด พฤษภาคมพุทธศักราช2554ัราวันนี้เป็นวันสำคัญยิ่งในทางพระพุทธศาสนาเป็นวันวิสาขาบูชาผลนั้นคณะสัตยาติยมลูกหลานได้มาตักบาตรทำบุญตอนเช้าเพื่อลำลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อันนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วเพราะเรานับถือพระพุทธศาสนาไม่มีวันไหนเลย ก็ไม่น่าจะถูกต้องนี้พวกเรานับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นับถือพระพุทธศาสนาเราก็ควรจะล้ำลึกว่าพระพุทธศาสนาเป็นมาอย่างไรมีคุณค่ามีประโยชน์อย่างไรมีคุณประโยชน์สําหรับตัวเราอย่างไรพระพุทธเจ้ามีแต่คุณไ ม, ไม่ไม่มีโทษมีแต่พระคุณอย่างเดียวพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมา อย่างไรอย่างวันวันนี้เป็นวันสำคัญอย่างไรถ้าว่าพวกเราไม่ได้ยินได้ฟังจากครูบาอาจารย์พวกเราก็คงจะเรียงลำดับไม่ถูกเหมือนกันเพราะนะั้นทุกสิ่งทุกอย่างเราต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังอันนี้สงแห่งการฟังผู้ฟังย่อมได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ยินได้ฟังสิ่งไหนที่เคยได้ยินได้ฟังแล้วไม่เข้าใจชัดก็จะเข้าใจสิ่งนั้นชัดขึ้น บัรเทาความสงสัยเสียได้ทำความเห็นให้ถูกต้องได้ขณะฟังจิตของผู้ฟังจะได้รับความผ่องใสนี่แหละมันต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังสุดตามายะปัญญาปัญญาเกิดจากการได้ยินได้ฟังจินตามายะปัญญาปัญญาเกิดจากการเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วจินตนาใข้ควรทบทวนสิ่งที่ยินได้ยินได้ฟังมานั้นมีเหตุมีผลอย่างไรพูดผิดพูดถูกอย่างไร ถูกต้องไหมที่ท่านพูดที่เราได้ยินมานั้นอ่ะอันนี้ว่าจินตามยะปัญญาปัญญาเกิดจากการจินตนาไข้ควรทบทวนสิ่งที่ที่ยินได้ฟังมานั้นด้วยปัญญาของเรากันกรองอีกทีนึงเรี่ยภาวนามยะปัญญาปัญญาเกิดจากการทำจิตใจให้สงบทำจิตใจให้เป็นหนึ่งก่อนแล้วทำจิตใจให้เป็นสมาธิซะก่อนแล้วจะมากันกรองด้วยปัญญาด้วยเหตุและผล เมื่อเราได้ยินได้ฟังมานั้นถูกต้องไหมเป็นธรรมไหมอันนี้เราบอกภาวนามยะปัญญานะใ น, นหลักของพุทธศาสนามีหลายขั้นตอนนะเพราะฉะนั้นม่ใช่ว่าปุบ ป, ปับขึ้นมาจะรู้มัดหมดทุกอย่างรู้ผิดรู้ถูกบางทีรู้ไม่จริงก็พูดเ อ, อจะเปะสปะ อ, อนินทากาเลไปเรื่อยอันนั้นบาปบาปอคุศโจะเข้าสู่จิตใจของพวกเราเพราะฉะนั้นเราต้องเรียนให้รู้ศึกษาให้รู้ะ นี่แหละหลักของพุทธศาสนาพพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าอาศัยการได้ยินได้ฟัง